ตัวหนึ่งนะมันหิวน้ํามากเลยแล้วมันก็บังเอิญไปเจอขวดโหลขวดหนึ่งขวดโหลใบนี้นี่ก็มีน้ําอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะี่ยแต่มันก้มลงเนี่ยไปกินน้ําไม่ได้ไไมันทำยังไงนถึงไดกินน้ำนะแล้วมันก็นึกออกนะมันก็บินไปที่ลาําธารแล้วก็ไปคาบเอากรวด แล้วก็เอากรวดเนี่ยส่ลงไปในขวดโหลสายไปทีละก้อนทีละก้อนนะแต่ละก้อนนี่ก็ต้องบินไปที่ลำธารแล้วก็ไปคาบเอากลวดเนี่ยมาใส่ขวดโหลมันบินไปที่ลำพานแล้วกลับมาเนี่ยหลายสิบเที่ยวเลยนะจนกระทั่งขวดโหลเนี่ยนะ มีกรวดอยู่เต็มเลยแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยระดับน้ำก็ขึ้นมาจนถึงขอบโหลอีกาก็เลยได้กินน้ำจากขวดโหลนั้นจนอิ่มเลยแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจามากนะที่มันสามารถ เอาน้ำเนี่ยในขวดโลเนี่ยมากินได้ถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วนี่ก็สื่อมันฉลาดนะสามารถแก้ปัญหาทําให้น้ำเนี่ยซึ่งไม่อยู่ไม่ถึงครึ่งในขวดโลเนี่ยสามารถจะเลื่อนระดับขึ้นมาจนกระทั่งมันกินน้ําดับกระหายดับหิวได้แต่ถ้าเราลองฉุดคิดสักหน่อยนะ ไอ้ลำธารเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่กวดนะมันมีน้ำด้วยจริงๆเนี่ยกาตัวนี้เนี่ยไม่จเป็นต้องบินกลับไปกลับมาหลายสิบเที่ยวนะเพื่อที่จะเอากรวดเนี่ยหยออลงไปในขวดโหลมันไปที่ลำธารก็กินน้ำได้เยอะเลยนะเะ่เวลาเราฟังเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจจะนึกว่ากามันฉลาด แต่ถ้าดูดีๆนี่มันก็ไม่เฉลียวนะมันอาจจะแก้ปัญหาที่ยากได้ด้วยความเพียรแล้วก็ด้วยปัญญานะแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันบินไปที่ลำธารเพื่อไปเอากรวดเนี่ยมันก็มีน้ำให้มันกินเยอะแยะไปหมดอยู่แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวนะความสามารถในการแก้ปัญหาของกาเนี่ยอาจจะดูน่าทึ่งแต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยมันไม่เฉลียวเลยมันไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้แต่ทําไมมันทําอย่างนั้นนะว่า ม, มันทําอย่างนั้นเนี่ย ก็คงเป็นเพราะว่ามันไปจดจ้องจดจ่ออยู่กับวิธีการแก้ปัญหาจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยก็คือว่าหาน้ำดับกระหายอันนี้คือปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของกาตัวนี้เลยนะคือมันหิวน้ำแล้วมันต้องการหาน้ำเนี่ยมาดับหิวดับกระหายนี่คือจุดมุ่งหมาย แล้วพอมันเห็นขวดโลมีน้ำเนี่ยนะมันก็รู้ว่าเนี่ยวิธีการที่จะเอาน้ำขึ้นมาจนถึงขอบโล่เนี่ยนะมันจะช่วยดับหิวได้นี่เป็นวิธีการที่มันคิดออกซึ่งก็ต้องใช้ความฉลาดนะแต่ว่ามันตรดจออยู่กับวิธีการนี้มากนะ ก็คือทำยังไงจะให้น้าในโลเนี่ยมันเลือกระดับขึ้นมาจนกระทั่งมันสามารถจะกินน้ำจากขอบโลได้มันตดจ่อตรงวิธีการนี้มากนะจนกระทั่งมันลืมคิดไปว่าตอนที่มันไปเอากัวดจากแม่น้ำลำทารเนี่ยน้ำในลำทานนี่มันก็มากพอที่จะดับกระหายของมันได้ มนไม่สนใจแต่วิธีการจนลืมเป้าหมายมาหมองนงนงานนี้น่มันก็ดูเหมือนโง่นะแต่ว่าคนเราเนี่ยบ่อยครั้งก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากกาตัวนี้อย่างเช่นคนจำนวนมากเนี่ยปรารถนาความสุขความสุขเนี่ยคือเป้าหมายของชีวิต ทำงถึจะมีความสุขหลายคนก็นึกถึงวิธีการว่าเออมันต้องมีเงินมีทองนะต้องมีบ้านมีรถยนต์นะต้องมีงานมีการที่ดีนะถึงจะมีบ้านมีรถแล้วจึงจะมีความสุขและหลายคนเนี่ยก็ทุ่มเทนะเพื่อการมีเงินเพื่อการมีบ้านเพื่อการมีรถ ยอมทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนบางทีไม่มีเวลาแม้กะทั้งให้คนใกล้ตัวและเพื่อที่จะมีงานมีความสําเร็จมีเงินบางทีก็ต้องขัดแย้งกับผู้คนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เงินมาเยอะมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังแต่ไม่มีความสุขเครียด นอนไม่หลับแล้วคนก็ไม่ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยก็เราพยายามมีบ้านมีรถมีเงินก็เพื่อจะมีความสุขไม่ใช่เหรอแต่ว่าพอไปหาสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วเกิดความทุกข์เกิดความเครียดกับไม่เฉลียวใจนะว่า นี่เราทำผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไปสนใจวิธีการจนลืมเป้าหมายนะเป้าหมายคือความสุขแต่ไปไปมาเนี่ยกลับไม่มีความสุขเพราะไปจดจ่ออยู่ที่วิธีการทำไงจะให้มีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีสถานภาพ เป็นอย่างนี้กันเยอะเลยนะคือไม่ถามตัวเองนะว่าเนี่ยไอ้ที่เรามีสิ่งเหล่านี้มากมายเพื่ออะไรเพื่อความสุขไม่ใช่หรยอแล้วตอนนี้เรามีความสุขไหมทำไมไม่มีความสุขก็เพราะไปหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทองนะการแข่งขันเพื่อได้มีบ้านหลังใหญ่ราคาแพง คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไปหมกมุ่นอยู่กับวิธีการเนี่ยมันก็ลืมเป้าหมายได้ง่ายนะถ้วสุดท้ายนี่ก็เหนื่อยนะแล้วก็ไม่พบหรือบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ย สามีลูกเนี่ยนะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็เลยตั้งใจว่าจะชวนกันไปเที่ยวไปค้างแรมใช้เวลาอยู่ด้วยกันจะได้กระชับความสัมพันธ์จะได้ทำให้ครอบครัวอบอุ่นถ้ามีความสุขที่ดีต่อกันก็เลยนะ คิดว่าเนี่ยจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็หานะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ไปเซิร์ชข้อมูลต่างๆทางเว็บไซต์ทาง Google นะจนได้นะว่าเนี่ยน่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหมนะ่ไปเที่ยวเชียงใหม่นี่มันกว้างนะก็ต้องเจาะจงว่จะไปที่อำเภอไหนไปที่รีสอร์ทไหนก่ค้นคว้านะ กรทั่งได้สถานที่ที่คิดว่าจะเป็นที่ที่ครอบครัวเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันจะได้สนุกด้วยกันนะมีเวลาพูดคุยกันนะได้กระชอบความสัมพันธ์ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแต่พอไปเสนอไปบอกสามีสามีไม่เห็นด้วยนะบอกว่า ไปภูเก็ต ด, ดีกว่าภูเก็ตนี่มันมีทะเลสวยนะแล้วก็หาดทรายก็งดงามไปเที่ยวเกาะก็ไดนะ้ก็เลยเถียงกันคนหนึ่งอยากได้เชียงใหม่คนหนึ่งต้องการไปภูเก็ตเถียงกันจกนกรนะทั่งหน้าดำคําเคร่น เถียงกันไปเถียงกันมาก็เกิดความขัดแยง้งเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อกันแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้นะจนกระทั่งบรรยากาศนี่มันมันแย่เลยเพราะาทางฝ่ายผู้หญิงนี่ก็จะต้องเอาให้ได้เชียงใหม่ผู้ชายก็จะเอาภูเก็ต ถ้าทัสองคนก็หลือไปนะว่าจุดหมายในที่ไปเที่ยวคือเพื่ออะไรนะก็เพื่อพักผ่อนเพื่อให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมีได้กระชอบความสัมพันธ์กันแต่นี่ทะเลาะกอันซะแล้วทะเลาะกอันซะแล้วความรู้สึกนะต่อกนันนี่นะแย่ไปเลย ไปเที่ยเพื่อจะให้ครอบครัวใกล้กชิดกันไม่ใช่เลยแต่ทําไมตอนนี้กับร้าวฉานซะละก็เพราะลืมเป้าหมายฮงเป้าหมายของการไปเที่ยวคืออะไรลืมเป้าหมายไปสนใจแต่วิธีการก็คือว่าจะต้องไปเชียงใหม่ให้ได้เชียงใหม่เชียงใหม่คนนี้บอกภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตไม่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะทะเลาะกันเรื่อง ที่ไปเที่ยวสถานที่ไปเที่ยวบางทีไม่ใช่เมืองแต่เป็นประเทศอันนี้แล้วว่าไปติดจอยติดถือมั่นกับวิธีการจนกระทั่งลืมเป้าหมายอันนี้จะว่าไปเพราะว่ามันเป็นเพราะความลืมตัวก็ได้นะคนเราพอยึดมั่นถือมั่นมากๆเนี่ยมันก็ลืมตัวนะมันก็ทาให้ลืมเป้าหมาย อีกานี่มันก็คิดแต่ว่าทำไงจะให้รวดในขวดโหลนี่มันเต็มมันจะได้มีน้ำนะได้กินส่วนสามีภรรยาก็คิดแต่ว่าทำไงจะได้ไปเที่ยวในที่ที่ต้องเปลียต้องการทั้งที่ไอาการยืนดานแบบนั้นก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันหมองลงเสียลง หรือคนจำนวนมากที่ต้องการนะหาเงินหาทองเยอะๆจนกระทั่งเกิดความทุกข์ท่านั่งที่ที่หาเงินหาทองก็เพราะปรารถนาความสุขไอ้ความยึดติดถือมั่นเนี่ยนะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดนะความเสียหายไอ้ต้องจุดหมายที่เราต้องการไม่ได้เป็นจุดหมายที่ดีนะ แต่ว่ามันอาจจะพาเราไปคนละทิ่คนละทางก็ได้ทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ยังเป็นต้องไปยึดติดกับวิธีการเลยก็ได้ขอให้เราเนี่ยจำชัดในเป้าหมายว่าเป้าหมายของเราคืออะไรส่วนวิธีการเนี่ยมันก็ยักเยืองได้มันไม่ยังเป็นต้องเป๊ะแบบที่เราคิด มีชายหนุ่มสองคนนะันักศึกษาเนี่ยทะเลาะ ก, กันในในห้องสมุดทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรนะบรรณารักษ์เนี่ยได้ยินเสียงเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะจากสองคนนี้แล้วก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการให้เปิดหน้าต่างไกลๆเนี่ยโต๊ะเนี่ย น 2, 2คนนั่งอยู่สองคนนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแต่คนนึงเนี่ยนะแต่คนหนึ่งอยากให้เปิดหน้าต่างอีกคนนึงเนี่ยอยากให้ปิดก็เถียงกันว่าจะเปิดหรือจะปิดดีคนหนึ่งบอกให้เปิดอีกคนหนึ่งบอกให้ปิดบรรณานี่ก็เลยถามว่าจุดหมายเนี่ยของคุณเนี่ยที่ต้องการให้เปิดคืออะไรไอ้บอล ก, ก็ต้องการให้ลมมันเข้า เพราะว่ามันอับนะมันร้อนนะห้องสมุดนี่ก็ไม่ติดแอร์เลยบรรณาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าทำไมอยาให้ปิดหน้าต่างแล้วบอกว่าปิดถ้าเปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยลมมันจะพัดกระดามจะปลิวพอรู้อย่างนี้บรรณาลบอกโอ้ oh, ไม่ยากก็ ไปเปิดหน้าต่างใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าต่างบานนี้ก็ได้หน้าต่างบานอีกบ้านนึงที่อยู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เปิดสิพอเปิดแล้วเป็นไงมันก็มีลมพัดถ่ายเทยไม่ร้อนแล้วก็ลมที่เข้ามามันก็ไม่ได้พัดกระดาษของชายคนนั้นเนี่ยให้มันปลิวพอบรรดารับเสงอีกอทุกคนก็เห็นด้วยสองคนนี้ก็เห็นด้วย ที่จริงมันก็ไม่น่าจะคิดออกไม่คิดการคิดแบบนี้ก็มันก็ไม่น่าไม่น่าจะยากนะถ้าไม่ติดยึดกับว่าต้องเปิดบานนี้หรือปิดบานนี้หน้าต่างแต่ว่าเป็นเพราะเป็นยึดติดว่าเนี่ยต้องเปิดบานนี้หรือไม่ก็ปิดบานนี้มันก็เลยหาทางออกไม่เจอแต่พอบรรรักเนี่ยพอรู้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำให้ทั้งสองคนพอใจ ก็ได้รับได้รับประโยชน์หรือบรรลุจุดหมายที่ต้องการคนหนึ่งก็ได้อากาศที่ถ่ายเทอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าลมมันจะพัดกระดาษให้ปลิวก็เรียกว่าบินๆวิ้งพู่นะแต่ถ้าไม่มีบรรณารักเนี่ยสองคนนี้คงจะทะเลาะกันเพราะว่าไปจดจ่ออยู่ที่วิธีการนะจนลืมเป้าหมายว่าตัวเองต้องการอะไร ถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่าเราไปหมัยึดติดถือมั่นกับวิธีการนะเราก็ลืมเป้าหมายที่เราต้องการที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเนี่ยที่จะคิดออกหรือมองให้ออกนะแต่ว่ามันมันลืมตัวเนี่ยพอยึดติดถือมั่นแล้วมันก็ลืมตัวมันจเจ้าให้ได้จเจ้าให้ได้แต่ถ้าเราลองถอยออกมาสักหน่อยนะ ถอยออกมาสักหน่อยเนี่ยแทนที่จะไปจดจ่อยวิธีการถอยออกมามันก็จะเห็นภาพรวมหรือว่าถ้าเกิดหยุดคิดสักหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอะไรควรทำอย่างกาตัวนี้เนี่ ย, ยถ้ามันหยุดคิดสักหน่อยนะแทนที่จะบินเอาแต่บินกลับไปกลับมาเพื่อที่จะไปฆ่ากรวดมาถมมาใส่มาหยอดในโหลเนี่ยมันหยุดคิดสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะพบว่า เฮ้ยเราไม่ต้องทำงั้นก็ได้นะ่ไอ้ลำธารเนี่ยน้าเยอะแยะเลยนะไม่เหนื่อยอยู่คนนะถ้าเกิดอยู่คี่ส่นไหนวันนี้เราทำมาหาเงินเนี่ยหาเงินหาทองไปทำไมนะทำแล้วเครียดทำแล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับผู้คนมีวิชายคนหนึ่งเนี่ยแกมามาปรึกษานะ ศึกษาว่าเครียดมากเลยตอนนี้จิตใจมันจตไม่ได้ความโกรธามไปทำ ม, มาก็โกรธโกรธง่ายเพราะว่าลูกน้องเนี่ยมักจะทำอะไรไม่ถูกใจแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยนะก็บอลเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนอาชีพนะมา มาทำอาชีพนี้เนี่ยเขาเครียดมากเลยเพราะว่าลูกน้องนี่ก็สอนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจทาผิดทำพลาดอัรมาก็บอกคนเราเนี่จะให้คนอื่นเขาคิดเหมือนให้เขาทำเก่งเท่าเราเนี่ยมันยากถ้าเขาอ่า สู้เราไม่ได้เขาก็เก่งกว่าเรามันมีแค่นั้นแหละจะให้เก่งเท่าเราเนี่ยมันยากก็คุยกันไปซักพักนี้ก็ถามเขาว่าเนี่ยไอ้ที่เขามีอาชีพเนี่ยทำอาชีพเนี่ยแล้วก็มีความทุกเนี่ยเท้า ม, มันคุ้มไหมก็ฉุกคิดขึ้นมานะว่ามันคุ้มไหมอาชีพเนี่ยนะไม่บอกเนะี่อาชีพอะไรมันคุ้มไม่กับการที่เขามีเงินเยอะได้เงินมา ได้เงินมาง่ายแต่ว่าเครียดรุ่มร้อนเพราะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับลูกน้องหรือคนรอบข้างอยู่เป็นประจำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเทคนิคที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งถ้าพลาดนี่ก็มันก็ต้องเสียหาย เขาเลยฉกคิดขึ้นมาว่าเนี่ยเราเรามีอาชีพเราทําอาชีพนี้เพื่อที่เราจะได้มีความสุขไม่ใช่หรือแต่ยิ่งทํากับยิ่งเครียดยิ่งทํากับยิ่งเครียดแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราจะเครียดทุกได้เงินมาก็จริงแต่เครียดและทุกเนี่ยทีจริงเนี่ยเขาคงคิดนะว่าเนี่ยไอเราทํามาหาเงินก็เพื่อที่จะมีความสุขมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ว่าตอนนี้ มันกลับตรงข้ามแล้วก็ไม่ได้ฉุกคิดนะหรือฉเฉลียวใจว่ามันคุ้มไหมกันทำงานได้เงินมาเยอะแต่ว่าเครียดนอนไม่หลับงั้นการรู้จักฉุกคิดนะหรือว่าถอยกลับมามองให้เห็นภาพรวมเนี่ยหรือเห็นภาพกว้างๆเนี่ยมันช่วยได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องความ คำพุทธศาสนาเรียกว่าสัมปชัญญะเหมือนกันนะเวลาเราพึงสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวมันยังหมายถึงความรู้ในความรู้ชัดในจุดหมายที่เราทําความรู้ชัดในงานที่เราทําด้วยสัมปชัญญะนี่มีความหมายรวมไปถึงอันนี้ซึ่งมันก็ต้องอาศัยความรู้ตัวนะเพราะว่าทําไปทําไปเนี่ยบางทีมันมันลืมตัวมันไปจดจ่ออยู่กับ จุดหมายไ ป, ไปจนจอยอยู่กับวิธีการจนลืมจุดหมายเราคนทุกวันเนี่ยใช้ชื่ออย่างผิดทิศผิดทางก็เพราะว่าลืมจุดหมายไปว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงไปสนไปจดจอยอยู่กับวิธีการบางทีมันเลยไม่ตายจากคนที่พยายามผลักประตูนะดันอยู่นั่นแหละผลักประตูนั่นแหละมันไม่เปิดสักทีถ้าฉุกคิดสักหน่อยก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าประตูนี้มันไม่ต้องดันนะแต่มันแค่ดึงนะ แต่หล้วคนเนี่ยไม่คิดจะดึงเลยนะมันจะดันอย่างเดียวหลือจะผลักอย่างเดียวเลยนะถ้าลืมถ้าคิดฉุกคิดตรงไหนว่าเอยประตูนี้เขาอาจจะใช้ดึงแนละ้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ใช่ผลักเอาแต่เป็นเพราะความลืมตัวหรือว่าความมุ่ง ม, มั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้าการที่เรามามาเจริญสติมาฝึกความสึกตัวเนี่ยนะมันถึงเป็นเรื่องสําคัญนะมันไม่ใช่เป็น เป็นความพู้เฟือยหรือไม่ใช่เป็นส่วนเกินของชีวิตนะแต่เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเป็นเพราะเราหลงไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจึงพาชีวิตเนี่ยมันผิดทิศผิดทางอาจจะมีความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการหาเงินหาทองแต่ก็หลงเอ่ยได้ความเครียดความทุกข์ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าว่าฉเฉลียวใจตรงหนว่าเราทาเพื่ออะไร เราต้องเพื่อความสุขนะแต่มาหลงเอ่ยแบบนี้เนี่ยมันคุ้มไหมมันถูกทางหรื อ, อยังหรือว่าอาจจะฉลาดนะเหมือนกับกาตัวนั้นนะะแต่ว่ามองภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยมันโง่แต่มันยังหลงเชื่อว่ามันฉลาดนะสามารถจะเอาน้ําในขวดโหลมากินได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยก็ได้อย็นนี้เพื่อชนีนะ